พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีนันทโกวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาดของพระนันท ก, กัสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณห0 0ร้อรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ขอให้โปรดประธานพระโอวาสสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายสมัยนั้นแหลภิกษุผู้เทราทั้งหลายย่อมโอวาสภิกษุณีทั้งหลายโดยเวียนกันไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานนท์เรื่องการให้โอวาสโ ด, ดยการเวียนกันไปนี้จึงได้ทรงทราบว่าพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาสภิกษุณีทั้งหลายจึงมีรับสั่งเรียกท่านพระนันตกะ มาให้โอว่าสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระดารัสแล้วในเวลาเช้ากลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตนาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปยังราชกาลรามท่านพระนันทกะได้กล่าวกับภิกษุณีเหล่านั้นว่าการถามตอบกันจะมีขึ้นเมื่อรู้พึงตอบว่ารู้เมื่อไม่รู้พึงตอบว่าไม่รู้ หากมีความเคลือบแคลงสงสัยพึงถามอาตมาในเรื่องนั้นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีเนื้อความอย่างไรท่านพระนันตกษัถามว่าท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุคือตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตอบว่าไม่ควรเลยจากนั้นจึงถามโดยในญ่าเดียว ก, กันกับเรื่องของตาคือโสตหูคานาะจมูกชิวหาลิ้นกายมโนคือใจ ซึ่งเราภิกษุณีตอบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่กวรพิจารณาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราและที่ตอบดังนี้เพราะได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงท่านพระนันตกะกล่าวว่าดีแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยาสาวก ผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโอสพะและธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตอบว่าไม่ควรพิจารณาเห็นเช่นนั้นเลยและที่ตอบเช่นนี้เพราะก่อนนี้ภิกษุณีทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยง ท่านพระนันทกะกล่าวว่าดีแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยาสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้จึงนั้นจึงถามต่อว่าท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือจกักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 อิกษุณีทั้งหลายได้เห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เทีย่ยนท่านพระนันทกากกล่าวว่าดีแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยาสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อประทีบน้ำมันถูกจุดไว้น้ามันก็ดีไส้ก็ดี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 มีความไม่แปรผันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ตอบว่ากล่าวไม่ชอบเพราะเมื่อประทีปน้ำมันโน้นถูกจุดไว้น้ำมันก็ดีไส่ก็ดีเลวไฟก็ดีล้วนไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่จำเป็นต้องพูดถึงแสงสว่างของประทีปน้ำมันนั้นซึ่งไม่เที่ยงมีความแปรผันเป็นธรรมดาเลย ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในหกของเรานี้ไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในหกแล้วย่อมสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอุทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรพันเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ ตอบว่ากล่าวไม่ชอบเพราะอาศัยปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นๆเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดจากอายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับท่านพระนันตกากล่าวว่าดีแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอาริยส า, าวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปยัญญาอันชอบ ย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแกน่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความปราพันเป็นธรรมดาผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแกน่นมีรากลำต้นกิ่งและใบและเงาล้วนไม่เที่ยงมีความปราพันเป็นธรรมดา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 มีความแปรผันเป็นธรรมดาเลยฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกหกแล้วย่อมสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเป็นอทุกขมสุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อมีความไม่แปรผันเป็นธรรมดา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 พระอริยาสาวกผู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบย่อมมีความเห็นเรื่องนี้อย่างนี้เปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชํานาญฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชํแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดๆเป็นเนื้อสันเส้นเอ็นใหญ่ เส้นเอ็นเล็กในภายในก็ใช้มีดล่าเนื้อที่คมตัดชำละเฉือนส่วนนั้นๆแล้วเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นๆแหละคลุมแม่โคนั้นไว้แล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยผืนหนังนี้เท่านั้นคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคนั้นเมื่อกล่าวเช่นนี้ชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือไม่ ตอบว่ากล่าวไม่ชอบเพราะคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผูดตำนานโน้นฆ่าแม่โคแล้วใช้มีดแล่เนื้อที่คมชำแหละแม่โคแยกส่วนเนื้อไว้ข้างในแยกส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้มีดแล่เนื้อที่กคมตัดชำแหละเฉือนส่วนนั้นนั้นลเล่าเลาะส่วนหนังไว้ข้างนอกใช้หนังนั้นนั้นแหละคลุมแม่โคนั้นไว้พึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าแม่โคตัวนี้เราประกอบไว้ด้วยผืนหนังนี้เท่านั้น แม้ก็จริงถึงอย่างนั้นแม่โคนั้นก็แยกกันแล้วจากหนังผืนนั้นนั่นเองท่านพระนันทกะจึงกล่าวว่าอาตมาทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดเจนขึ้นเนื้อความในอุปมาณั้นดังต่อไปนี้คำว่าส่วนเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าส่วนหนังข้างนอกนั้น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 เพราะโพโอชงเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปภิกษุจึงทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพโพชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยอมเจริญสติสัมโพโอชงอันอศัยวิเวก ค, คือความสงัด อาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับน้อมไปในโวสักคะคือความสละคืนและโดยในยะเดียวกันย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงย่อมเจริญปีติสัมโพชงย่อมเจริญปัสสติสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชง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 ครั้งนั้นท่านพระนันตกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้ภิกษุณีเหล่านั้นชื่นชมยินดีพาสิทธ์ของท่านพระนันตกะครั้นเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นจากไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบโสถสสค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวง หรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงนั่นเองแม้ฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของนันทกะทั้งที่ยังมีความดัมเิไม่บริบูรณ์จึงรับสั่งให้ท่านพระนันทกะไปให้โอวาสภิกษุณีเหล่านั้นในเรื่องเดิมทั้งหมดอีกครั้งวันต่อมาเมื่อภิกษุณีเหล่านั้น ได้ฟังโอวาทเรื่องเดิมจากท่านพระนันทกะอีกครั้งแล้วจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถสิบห้าค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเลยว่าดวงจันทร์ไม่เต็มดวงหรือเต็มดวงหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็เต็มดวงแล้วฉันใด ภิกษุนีเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้มีใจยินดีต่อธรรมเทศนาของพระนันตกะและมีความดำริบริบูรณ์แล้วภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุนีห้าร้อยรูปนั้นรูปที่ได้คุณธรรมชั้นต่ำที่สุดเป็นโสดาบันมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบนันทะโกวาทสูตร